จเจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจไฝ่ธรรมทุกท่านต่อไปนี้ขอเชิญสาธุชนมาเข้าสู่รายการธรรมสู่สันติ ซึ่งเป็นรายการธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทำหน้าที่นำธรรมะสู่ท่านสาธุชนเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้วันนี้อาตมาภาพจะได้นำเสนอธรรมะอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การศึกษาสัมมาปฏิบัติเป็นธรรมบรรยายของ ท่านอาจารย์มงคลบุตรในเรื่องมหาสติปัฐานสซึ่งอาจารย์มงคลบุตรนี้เป็นนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณในสมัยที่ท่านยังเป็นคารวาสอยู่ทําหน้าที่บริหารงานกิจกรรมโครงการอบรมพระกรรมฐานของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งต่อมาหลังจากที่ท่าน เสร็จภาระทางโลกแล้วก็เข้ามามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเทปนี้เป็นเทปในสมัยที่ท่านยังเป็นคารวาดอยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรมขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาติดตามรับฟังธรรมบรรยายเรื่องมหาสติปฐานสโดยอาจารย์มงคลบุตรโดยพร้อมกันหน้าบัดนี้วันนี้กระผมจะได้ บรรยายธรรมะในหัวข้อเรื่องธรรมกายอีกเช่นเคยตอนต่อไปนะครับ เ, เมื่อครั้งที่แล้วๆมากระผมได้บรรยายถึงความหมายและลักษณะที่แท้จริงของธรรมกายว่าคืออย่างไรพร้อมทั้งได้เสนอเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่สําคัญที่เกี่ยวด้วยธรรมกายและ เปรียบเทียบถึงรูปกายหรือสรีรากายและอายตนานิพานและประการสำคัญถัดมาคือกระผมได้เสนอหนทางปฏิบัติที่ชื่อว่าเอกายนามัคทางสายเอกให้ถึงธรรมกายและบรรลุมรรคผลนิพานคือมหาสติปัฏฐานทั้งสี่ ได้แก่การมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมซึ่งกระผมได้เสนอมหาสติปัฏฐานสูตรที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกไปแล้วและได้ชี้ให้เห็นว่ามหาสติปัฏฐานสีที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายณภายในเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาณภายในและเห็นธรรมในธรรมเป็นณภายในเท่านั้นเองซึ่งทั้งนี้กระผมได้เสนอการปฏิบัติธรรม เพื่อบรุมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นอาการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ก่อนที่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ได้บรรลุธรรมอย่างไรซึ่งมีปรากฏในโพธิราชกุมารสูตรราชวัครหรือสคาราวาสูตรพรามพรามวัตซึ่ง กระผมได้เสนอว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงกระทำฌานสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานทุทาาตทิยฌานตัติยฌานและจตุธาฌานเพื่อให้จิตใจสังกัดจากกิเลสนิวร์โดยเด็ดขาดผ่องใสและเหมาะที่จะน้อมเข้าสู่วิชาคือทมปฏิบัติ เครื่องดับอวิชามูลรากฝ่ายเกิดทั้งปวงและเมื่อจิตใจของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสนิวรแล้วจึงได้บรรลุวิชาที่หนึ่งคือปุเพนิวาสานุสติยานปรีชายานอย่างรู้กำเนิดของตนเองและผู้อื่นแต่หนหลังถอยหลังไป หรืออีกในหนึ่งก็คือยานระลึกชาติได้ทั้งของพระองค์เองและของผู้อื่นซึ่งทาให้พระองค์รู้สภาวะของธรรมชาติของสัตว์โลกทั้งหลายว่าตราบใดที่ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้สภาวะของธรรมชาติและพระสัจธรรมตามที่เป็นจริง แล้วก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัจรนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เป็นวิชาที่หนึ่งซึ่งพระองค์ได้บรรลุในยามต้นราตรีและต่อมาในยามกลางแห่งราตรีพระพุทธองค์ก็ส่งบรรลุยานอย่างรู้ว่าสัตว์ทำกรรมกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้าง จะได้รับผลกรรมต่อไปอย่างไรในอนาคตที่ชื่อว่าจุตูปปาติยานเราจะเห็นในตอนนี้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเห็นสภาวะของธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง กล่าวคือเห็นสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งคือกรรมเป็นอย่างน้อยมีผลให้สัตว์โลกนั้นเป็นไปตามกรรมต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวักรไม่มีที่สิ้นสุดเพราะกิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย เป็นเหตุให้พระองค์เกิดทำสังเวชสลดสลดจิตคิดที่จะให้พ้นไปจากสังสารจาัจรนี้ครั้นในยามปลายแห่งราตรีพระองค์จึงได้ทรงทบทวนเหตุในเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ไปจนถึงต้นต้นเหตุและจับความจริง เป็นสัจธรรมว่าต้นเหตุให้เกิดทุกนั้นมีอวิชชาคือความไม่รู้สภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงและสัจธรรมตามธรรมชาติที่เป็นจริงนี่เองที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความปรุงแต่งขึ้นเป็นสัตว์โลกทั้งหลายก็ให้เกิดตัณหาราคะ และอุปทานความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความเห็นผิดทั้งหลายแล้วก็ประกอบกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างที่ประกอบกรรมชั่วก็ได้รับผลกรรมชั่วเพราะกรรมชั่วนั่นเองปรุงแต่งให้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเช่นนั้นให้เลวให้ยาบให้โง่เง่าเต่าตุตนและได้รับความทุกข ต่อไปเพราะเกิดพบชาติในทุกติพบส่วนว่ากรรมดีแต่ยังไม่ดีถึงที่สุดให้พ้นจากสังสาระจักนี้ความดีดังกล่าวนั้นยังมีอวิชชาเป็นเหตุนำเหตุหนุนอยู่แม้จะเบาบางลงไปก็ตามแต่ผลแห่งกรรมดีเหล่านั้นก็จะปรุงแต่งสัตว์ให้ประสบผลดี ไปเกิดในภพในภูมิที่ดีมีโลกียสมบัติเช่นมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติที่ดีชื่อว่าปุญญาภิสังขารแต่ถึงแม้กระนั้นสัตว์โลกซึ่งเคยทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างประกอบกันไปนั้นเมื่อหมดบุญจากกรรมดีก็ต้องรับผลกรรมชั่วที่เคยกระทำไว้ยังมีดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีก คือกรรมดีอันเกิดแต่สมาธิถึงระดับฌานสมาบัติรูปฌานและอรูปฌานก็ปรุงแต่งสัตว์โลกให้ไปเสวยสุขอยู่ในพรหมโลกชื่อว่าอาเนญนชาพิสังขาร น, นี่พระพุทธองค์ทรงเห็นตลอดเช่นนี้และเห็นชัดเจนต่อไปว่าเหตุที่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่ประกอบกรรมดีแต่ไม่ถึงที่สุดแห่งความดี คือยังไม่พอให้ผลโลกหรือที่ประกอบกรรมชั่วตางก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัจรนี้ไม่มีที่สิ้นสุดสุขบ้างทุกบ้างเป็นไปตามกรรมและเห็นว่าต้นเหตุแห่งทุกขที่แท้จริงนั้นก็คืออวิชชานี่เองเมื่อสาวทบไปทวนมาเห็นเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุให้เกิดทุกซึ่งเป็นเหตุและผลเกี่ยวเนื่องกันถึงสบสองข้อ ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมเห็นชัดเจนเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นหรืออย่างรู้ทางปฏิบัติวิธีปฏิบัติขจัดขัดเกลากิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ตั้งแต่เหตุห ย, ยาบหยาบไปจนถึงเหตุกลางๆงหรือกิเลสกลางกลงไปจนถึงกิเลสละเอียดที่ชื่อว่าอนุสัยกิเลส หรืออาสวักิเลสจนกระทั่งพระองค์งทรงธรมอาสวะให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษจึงบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในยามปลายแห่งราตรีและยานอย่างรู้วิธีทำให้อาสวะหมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเป็นพระอาหารหันต์ขีณาศพน้านั้น ชื่อว่าอาสรกขยายานเมื่อพิจารณาดูรายละเอียดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพิจารณาสภาวะธรรมนี้แล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าพระพุทธองค์ก็ได้ทรงเจริญภาวนาให้มีสติพิจารณาเห็นกายในกายณภายในเข้าไปจนสุดละเอียดเมื่อพ้น กายโลกียะในภพสามซึ่งเป็นกายซ้อนกายภพซ้อนภพตามสายปฏิจจสมุ ป, ปบาตธรรมแล้วก็จะถึงธรรมกายซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประกาศว่าเราตถาคตคือธรรมกายดังที่กระผมเองได้เสนอเอกสารอ้างอิงไว้แล้วนอกจากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงพิจารณาเห็น เวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเป็นณภายในของแต่ละกายนั่นเองไปจนสุดละเอียดและเห็นธรรมในธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมและเห็นอริยสัจทั้งสี่โดยชัดแจ้งนี่แหละครับเมื่อเจริญภาวนา ตามแนววิชาธรรมกายถึงธรรมกายแล้วก็จะเข้าใจเอกสารอ้างอิงที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกตามที่เป็นจริงโดยมีเอกสารอ้างอิงและเห็นด้วยตาและยานของพระธรรมกายตามรอยบาทพระพุทธองค์อย่างนี้และทีนี้สําหรับผู้ปฏิบัติภาวนาที่ถึงธรรมกายแล้วนั้น สามารถที่จะเจริญภาวนาน้อมเข้าสู่ปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาติยานและอาสวัคยายานได้ตามรายละเอียดทางปฏิบัติจากหนังสือทางมรรคผลนิพานรวมธรรมะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายฉบับพิมพ์ครั้งที่สามเมื่อวันที่สิบเก้าธันวาคมพุทธศักราช2525ในหน้า 341-350 ได้ หนังสือดังกล่าวนี้มีให้บูช า, าที่ศาลาการเปลี่ยนวัสเกต ร, ราชวรมหมาวิหารและที่ตึกบอวรอเทพมุนีวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพนะครับทีนี้กระผมจะกล่าวสรุปอีกสักเล็กน้อยในตอนนี้ว่าวิธีการเจริญภาวนาตามแนววิชาธรรมกายนั้น จึงสรุปว่ามีมหาสติปัฐานสี่อยู่ในตัวพร้อมเสร็จดังที่กระผมได้เรียนไว้แล้วและยังมีรายละเอียดในทางปฏิบัติซึ่งอยู่ในหนังสือทางมรรคผลนิพพานดังที่กระผมเรียนไว้แล้วนั้นหากปฏิบัติภาวนาตามแนววิชาธรรมกายแล้วก็จะเข้าใจทราบซึ้งด้วยตัวของท่านเองยิ่งกว่าคำบรรยายมากมายนักนะครับซึ่ง คราวต่อไปกระผมจะได้ชี้ให้เห็นว่าการเจริญภาวนาตามแนววิชาธรรม ก, กายนั้นเป็นมหาสติปัฏฐานสี่อย่างไรสาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมบัญยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี ในเรื่องการเจริญภาวนาธรรมตามแนววิชาธรรมกายเป็นมหาสติปฐานสี่อย่างไรสำหรับวันนี้ช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังมาตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติธรรมะตามแนววิชาธรรมกายซึ่งจะได้อาราธนาเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกสลเทระรองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระวัดปากน้า มาเป็นผู้แนะนำพระกรรมาฐานโดยท่านสาธุชนเตรียมตัวนั่งในท่าสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายนิ้วชี้ข้างขวาปลายนิ้วชี้ข้างขวาให้จดหัวแม่มือด้านซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงดารงสติของเราให้มั่นคงคือไม่เผลอสติต่อจากนี้ไป ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านตั้งใจน้อมจิตปฏิบัติตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อสืบต่อไปในลำดับก่อนได้ฝึกวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการเจริญภาวนาธรรมโดยกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วกลมใสขึ้นที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาพร้อมด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาหังสัมมาหังสัมมาหั ง, งเพื่อบรรคอง บริกรรมนิมิตไว้ห้ใจมารวมอยู่ที่ในบริกรรมนิมิตแล้วค่อยๆเลื่อนบริกรรมนิมิตไปหยุดอยู่ตามฐานต่างๆคือที่หัวตาด้านในแล้วก็ที่กลางกักศีรษะแล้วก็เลื่อนมาหยุดที่ปลาดานปากที่ปากช่องลำคอและค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายสายสะอาดนั้นไปหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายตรงราวสะดือผลีแล้วเลื่อนกลับขึ้นมาตรงๆมาหยุดอยู่ณฐานที่เจ็ เหนือเสดเดอประมาณสองนิ้วมือสำหรับท่านที่ชำนาญในการกระทาใจให้หยุดอยู่ณสูงกลางกายฐานที่เจนี้ได้แล้วแต่ยังไม่ได้ดวงประถมมรักเวลาเจริญภาวนาก็กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วคลมใสมรอบตัวโตวประมาณเท่าฟองไข่แดงของไก่ขึ้นที่สูงกลางกายฐานที่เจนี้เลยทีเดียวพร้อมได้บริกรรมภาวนาวาสัมมาหลังสัมมาหลังสัมมาหลัง เพื่อช่วยประคองใจให้หยุดให้หนึ่งเป็นสมาธิได้เลยตรงฐานที่เจ็ดนี่แหละเป็นที่ตั้งของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์สายสะอาดบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ภายในดวงธรรมนี้มีศูนย์เป็นดวงกลมใสเล็กๆอยู่หศูนย์คือศูนย์กลางศูนย์ข้างหน้าข้างขวาข้างหลังและข้างซ้ายศูนย์กลางคืออากาศธาตุศูนย์ข้างหน้าธาตุน้าข้างขวาธาตุดิน ข้างหลังธาตุไฟข้างซ้ายธาตุลมช่องอากาศตรงกลางนั้นเรียกว่าศูนย์ศูนย์นี่สำคัญนะเพราะเป็นที่ตั้งที่จะดหรือที่หยุดของใจเวลาสัตว์จะไปเกิดมาเกิดก็จะมาอยู่ในที่สิบคือฐานที่หกแล้วรอยขึ้นมาหยุดอยู่ณนกะลางกายฐานที่เจ็ดนี้ก่อนเรียกว่าจิตตกศูนย์ศูนย์นี้จึงสาคัญนะเพราะเป็นที่ตั้ง ของกำเนิดเดิมและการจะเข้ามรรคผลนิพพานก็จะต้องเข้าที่ศูนย์นี้ด้วยเหมือนกันเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็รวมใจหยุดในหยุดลงไปตรงศูนย์กลางนี่แหละพยายามประคองใจให้หยุดให้นิ่งลงไปที่กลางของกลางกลางกลางกลางกลางกลงกลางหนักเข้าเพราะถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละจะเห็นดวงใสแจ่มมาเกิดขึ้นขนาดโตเท่าฟองไข่แดงของไก่ หรืออย่างเล็กเท่าดวงดาวในอากาศอย่างโตเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคหนทางเบื้องต้นไปสูม่มรรคนิพานซึ่งจะได้อธิบายต่อไปอเมื่อเห็นดวงปฐมมรรคนี้แล้วก็หยุดบริกรรมภาวนาได้ทีนี้ให้น้อมใจเบาๆไปจรดที่ศูนย์กลางดวงนี้อีกมีที่หมายเป็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มพอใจหยุดใจนิ่งได้ถูกสวนเข้าเท่านั้นแล ดวงเดิมนี้ก็จะว่างหายไปและมีดวงใหม่ผุดขึ้นมาแทนที่ใสละเอียดยิ่งกว่าดวงเดิมดวงนี้เป็นดวงศีลบริสุทธิ์ในกรรมฐานโปรดเข้าใจด้วยว่าความบริสุทธิ์กายและวาจาเป็นแต่เจตนาศีลความบริสุทธิ์ใจเป็นเจตสิกศีลความบริสุทธิ์ไตรทวารเหล่านี้ เป็นแต่อาการของศีลเท่านั้นแต่ยังไม่เป็นที่ตั้งของสมาธิได้ต้องเป็นศีลในกรรมฐานคือศีลานุสติระ <c oughs> ล, ลึกถึงความบริสุทธิ์กายวาจาใจอยู่เนืองๆจึงจะเป็นที่ตั้งของสมาธิได้ระ ล, ลึกที่ไหนละ่ะก็ตรงกลางกายหรือกําเนิดเดิมนั่นแหละเมื่อใจกับกําเนิดเดิมประกอบกันถูกส่วนเข้าก็เกิดเป็นศีลบริสุทธิ์ขึ้นมา ดังที่กลาบมาแล้วพระสงฆ์จะทรงศีลให้บริสุทธิ์ตั้ง227ข้อได้อย่างไรไว้มันสำคัญอยู่ที่ใจต่างหากพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่ามโน ป, ปภังขมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมยาแบบเป็นใจความว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหนหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจเพราะฉะนั้น หากประคองใจให้บริสุทธิ์รักษาดวงใสนั่นไว้อย่างเดียวก็คุ้มในหมดเพราะถ้าจิตใจใสบริสุทธิ์และมีสมาธิตั้งมัน่นเป็นเอกะกตารมดีแล้วนิวรธรรมทั้งหลายก็ไม่อาจเข้ามาครอบคลุมจิตใจได้อภูศลเจตสิกทั้งหลายก็ไม่มีทางที่จะเข้าไปย้อมไปเชิดหรือไปโดนใจและกายวาจา ให้เป็นไปตามอำนาจของมันได้แล้วจะเป็นโทษได้อย่างไรจิตใจก็จะมีแต่ใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นกุศลเป็นฝ่ายดีตามลํำดับชั้นคือกามาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตและที่สุดจนถึงโลกุตละจิตอันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเมื่อได้เข้าใจดีแล้วก็น้อมใจหยุดในหยุด ลงไปในกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นสินนี้ทีเดียวมีที่หมายเป็นจุดเล็กสายเท่าปลายเข็มคือเหตุว่างของดวงสินพอหยุดได้ถูกส่วนเข้าดวงเดิมก็จะว่างหายไปและดวงสมาธิก็จะผุดลอยขึ้นมาแทนที่สายบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกหยุดในหยุดลงไปในดวงสธรรมสมาธิ น, นั่นเมื่อหยุดได้นิ่งถูกส่วนเข้าดวงเดิมนี้ก็จะว่างหายไป แล้วดวงปัญญาก็จะผุดลอยขึ้นมาแทนที่อีกใสละเอียดหนักยิ่งขึ้นไปอีกจะหลดใจเบาเบาไปที่ดวงปัญญาพอหยุดนิ่งในถูกส่วนดวงปัญญาก็จะวางหายไปดวงวิมุตต์ก็จะผุดขึ้นมาแทนที่หยดในหยดลงไปในดวงวิมุตต์นั่นแหละพอหยดได้ถูกส่วนเข้าดวงวิมุตต์ก็จะวางหายไปและดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะผุดลอยขึ้นมาแทนที่อีก สายละเอียดและมีรัศมีสว่างขึ้นไปตามลำดับให้น้อมใจลงไปหยุดอยู่ที่กลางโดงวิมุตติยานทัศน์นั้นอีกพอหยุดได้ถูกส่วนเข้าแ่านั้นและดงวิมุตติยานทัศน์ก็ว่างห้ไปและจะปรากฏเห็นกายมนุษย์ละเอียดหรือพระพุทธรูปเกศ ด, ดอกบัวตมใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งนักพุดลอยขึ้นมาแทนที่ถ้าปรากฏเห็นกายละเอียดใดๆก็ดีหรือ เ, เห็นพระพุทธรูปเกศ ด, ดอกบัวโตม ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ปุดลอยขึ้นมากว็ดีให้น้อมใจหยุดลงไปที่ศูนย์กลางกายใหม่ที่เห็นนั่นแหละบางรายอาจจะเห็นไม่ชัดไม่ใสแต่รวมใจหยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางกายใหม่นี้ได้ก็จะค่อยๆเห็นใสและชัดขึ้นมาเองแล้วก็จะเห็นดวงธรรมในศูนย์กลางกายใหม่นั่นเอง ก, ก็ให้ดําเนินไปในแบบเดิมอีกคือเห็นดวงให้เดินดวง คือน้อมใจหยุดในหยุดลงไปในศูนย์กลางดวงใหม่เรื่อยไปถ้าเห็นกายก็เห็นเดินกายคือรวมใจหยุดในหยุดลงไปในศูนย์กลางกายใหม่เรื่อยไปหรือที่เรียกว่าเข้ากลางของกลา ง, งกลางหกลางกลางกลางไปเรื่อยไม่มีถอยหลังกลับแล้วท่านจะได้พบทั้งความสุขจากความสงบและได้ปัญญาอันเกิดแต่การรู้เองและเห็น ด้วยตัวท่านเองข็อํำคัญอยู่ที่ให้ตั้งใจจริงอันหนึ่งไม่ว่าท่านผู้เจริญภาวนาจะเห็นภาพนิมิตใดถ้าไม่ใช่เห็นหน้าที่สูงกลางกายแล้วก็ให้พยายามเหลือตากลับขึ้นข้างบนเพื่อให้ความเห็นกลับไปข้างหลังแล้วก็ให้ความเห็นนั่นกลับเข้าข้งในพร้อมกับรวมใจให้หยุดนิ่งอยู่หนะ้าที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดไว้เสมอ มีที่หมายจุดเล็กสายท่อปลายเข็มพยายามแตะใจเบาๆไว้ที่นั่นกลางของกลางกลางของกลางกลางกลางไปเรื่อยไม่ช <blocking. S 1> ้านิมิตท <|su|>. ี่เคยเห็นอยู่ที่อื่นนั้นก็จะปรากฏขึ้นที่ศูนย์กลางกายเองถ้าเห็นนิมิตเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายแล้วขอน้อมใจหยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางนิมิตนั้นอีกกลางของกลางกลางของกลางกลางกลางไปเรื่อยไม่ถอยหลังกลับถ้าท่านดําเนินไปอย่างนี้แล้ว ก็จะไม่มีนิมิตลวงปรากฏให้เห็นแต่อย่างใดจึงไม่ต้องวิตกกังวลสะดุ้งหวาดกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นและโดยวิธีเข้ากลางของกลา ง, งกลางหองกลางกลางกลางอย่างนี้ท่านผู้เจริญภาวนาธรรมหรือสมาธิกลับจะได้เห็นกายในกายธรรมในธรรมที่ละเอียดปราณีตใสสะอาดบริสุทธิ์เย็นตาเย็นใจเสียอีกและก็จะได้พบกับความสุข ชนิดที่เรียกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบคือใจหยุดใจนิ่งไม่มีขณะที่สาธุชนกำลังใจสงบหยุดนิ่งก็ตั้งใจแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์บูชาแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุรพาจารย์ทุกท่านอุทิศบุญกุศลให้แก่สัพสัตวเจ้ากรนายเวรทุกท่านแล้วก็ตั้งใจกราบพระสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ก่อนจากกันวันนี้ขอท่านผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากภัยพิบัติโรคาพาก ท, ทั้งปวงเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจิดการงานโดยชอบทั้งปวงและขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านโปรดติดตามรับฟังธรรมะจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ขอสัพพะมิ่งมงคลทั้งปวง จงมังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร